อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ไม่ดีเลยสมมุติว่าถ้ากรรมนั้นเป็นกุศลส่งผลนะก็กลายเป็นมนุษย์ไม่มีลาภสก arga ไม่มีวันนะคิวพันไม่งามเลยต่างๆนี้ตระกูลตกต่ำเนี่ยนะล้ะได้ด้วยอะไรฤทธิ์สียและควาตัหนีจะละได้ด้วยอะไรละได้ด้วยโสดาปฏิมา ถ้าตราบใดยังไม่สามารถทําโสดาปฏิมาให้เกิดขึ้นในกระแสขันได้ท่านพุทนั้นจะละฤทธยาและความดัหนีไม่ได้ให้สังเกตดูนะว่าคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่จะหนีและท่านไม่ฤิธิยาใครแล้วถึงแม้ท่านยังมีโทรศัพท์เห็นไหมเออเราก็มาพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าอย่างเราอะยังไม่สามารถหนึ่งยังไม่ได้ถึงโสดาปฏิมา ยังไม่ได้ถึงทาที่ยังไม่ถึงคือยังไม่ถึงโสดาปิมากยยังไม่ได้บรรลุโสดาปิผลยังไม่ได้ทําให้แจ้งซึ่งนิพพานของพระโสดาไปใช่ไหมลิสยาและความดียังมีอิทธิพลกับเรานะต้องระวังไหมต้องระวังเป็นโทษไหมเนี่ยเท้าส ก, กะท่านเข้าใจสั้งงงเป็นโทษกับท่า นนเวลาศึกษาต้องเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปจะได้เห็นว่าโอ้มันมีอยู่เนะเราอย่าคิดว่าเราไม่มีแล้วมันเกิดอยู่นะไม่คิดว่าไม่ใช่มันไม่เกิดเพราะยังไม่ละได้โดยโซดาบันถ้าท่านผู้ใดได้เป็นพระโซดาบันมีนิพพานของพระโสดาบันเรียบร้อยลิสยาแล้วความตณีจะขาดสะบั้นในกระแสขันแล้วก็ไม่น่าไว้ใจไม่น่าไว้จถ้าไม่เกิดเป็นเกเรก็ได้นะ จริงละไม่ได้ฉะนั้นเมื่อละตลอดเวลานะที่ยังละริษยาและความจะหนีไม่ได้เทวดาวนุษ่แม้ปรารถนาเป็นผู้มีมีเวตต่อกันนะปรารถนาไม่คมเหน่งกันปรารถนาไม่รังแกกันอยู่ก็ตามนะก็หาได้รอดค้นจากเวนไยเหล่านั้นดังที่ได้กล่าวมาเมื่อ น, นี่ปรารถนาไปสิเนี่ยขึ้นไปนะไปประกาศว่าท่านทั้งหลายอย่าแต ก, กแยกกันท่านทั้งหลายอย่าทะเลาะ ก, กันจงสามัคคีกันเรับ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มีวิธีเดียวคุณหันมาศึกษาพระธรรมคุณวิทยาคมอยู่แล้วคุณก็เราเราวังไว้แล้วในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเจริญสมถาวิปัสสนาเนี่ยถ้าจิตคุณเจริญสมถาได้คุณจะสงบความริสยาความดันีได้ระยะหนึ่งถ้าคุณเจริญวิปัสสนาในกระแสจิตในจิตของคุณเป็นวิปัสสนาจิตได้คุณจะละวินัยทางเข้ามหารได้ใช่ไหมถ้าคุณทํำสวดาปฏิมาคุณถึงสวดาปริมา บรบรลุรโสดาบันิผลทำให้แจ้งพึงพระนิพพานของพรโสดาบันคุณจะลอได้อย่งเด็ดขาดไม่กระเสขัดคุณจะไม่ทะเลาะกัน ค, คุณจะไม่มีเว้นกันอย่างเด็ดขาดแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณไม่เคยคิดขัดเราตัวเองเลยอะคุณได้จะบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าทะเลาะกันท่านทั้งหลายอย่าขัดแย้งกันท่านทั้งหลายเห็นแกแผ่นดินเธอเห็นแกเขาว่างกันบ้างนันจะเลิกได้ไหมนั่นเป็นไปไม่ได้อะไม่มีทางตามบอด มันบอดกี่ฝ่ายสามฝ่ายฝ่ายที่ขัดแย้งกับฝ่ายที่ข้าวใช่ไหมต้องฝ่ายสอนไม่มีฝ่ายสอนไม่มีเพ่อไม่ฟังไกนี่เป็นยังีงอันนี้เข้าใจเนาะคําว่าข้าพเจ้าข้าพ้นความสงสัยในปัญหานี้แล้วนะตินนามเิถา ก, กังขา ท้าส ก, าก่าตัดบกคนในปัญหานี้ฟังพระดำรัสของพระพุทธองค์แล้วท้าบพระองค์ในข้ามพ้นความสงสัยข้ามพ้นความวิจิตริชั่เท้าสก่าไม่แสดงความที่สงข้ามความสงสัยด้วยอํนานาจเองมากนะคําว่าหมดความสงสัยที่จะพึงเป็นอะไรวิคัตกากระถังกถาบอกว่าความสงสัยนี้อย่างไรนี้อย่างไรปราศจากไปเป็นต้นก็หมายความบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ข้อนี้หมดความสงสัยแต่ตอนนี้บรรลุหรือยังยังนะตอนนี้ยังนะยเพิ่งบรรลุตอนนี้เพิ่งได้ข้อเดียวะเพิ่งได้ข้อเดียวด้บรรลุแล้วยุ่งเลยต้องไล่ไปเรื่อยๆนะเท้าสะกัดฟังสิบสี่ข้อบรรลุแล้ว่อยดูนี่เราฟังนี่ข้อแรกผ่านไปนะก็ฟังไปเรื่อยๆสนะิบสี่ข้อมันจะไวแป๊บในใจ อ้าถ้าเอาแต่พุทธพจน์มาอ่านจะเขา้าใจไหมเนี่ยมาบรรยายอะออยไม่มีทาก็เห็นไหมว่าจริงๆก็บอกว่าท้าสกะ ก, ก็อนุโมท น, นาน้คำว่าเข้ามูลคำว่าที่บอกว่าเป็นนิทานานีนี่ก็ผง ม, มีใจความบอกว่าเสร็จเมียรมันเป็นที่รักแล้วไม่เป็นในพิรักปียาปียาในข้อที่สองในต่อไปเนี่ย อาการต่อมาก็คือในข้อที่สองในข้อที่สองก็คือว่าข้าแต่พระองค์บุญในละเทศกว่าทุกใ น, นความริษยาความตณีมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุรทรามีอะไรเป็นแรงเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดเนี่ยนะเมื่ออะไรมีความริษยาและความตณีจึงนี้จึงมีเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตณีจึงไม่มีเนาะทีนี้เรจะดูก่อนจอมที่ ความริษยาและความตนีมีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นกําเนิเปนแหลงเกิดเมื่ออารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีอยู่ความริษยาและความตนีจึงมีเมื่ออารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักไม่มีความริษยาและความตนีจึงไม่มีตัวนี้ท่านใช้คำปิยานะปิยาปียาฐานังเป็นความตนีความตนีนั้นมีสัตว์และสังขารเป็นที่รักเป็นเข้ามูจึงไหมมาสังเกตตรงนี้ก่อนเนาะ มีสัตว์และสังขารไม่เป็นที่รักเป็นข้ามูลในสองอย่างนั้นน่ะนะมีสำหรับนัก บ, บวชนะนัก บ, บวชนี่ก็มีอะไรดีละมีกลุ่มสัตว์ที่วิหารินัก บ, บวชนี่ก็ยังมีรูปศิษนะเขาเรสัตว์ที่วิหาริอันเทวาศิษ์ก็บากันไปสำหรับชาวบ้านก็มีบุตรเห็น ไ, ไหมมีรั์ แล้วก็มีเพื่อนมีสามีมีภรรยามีพ่อมีแม่เราเนี้ยแล้วก็มีอะไรล่ะสมัยก่อนก็มีช้างมาวัวไยใช่ไหมปัจจุบันก็มีรถมีสมบัติต่างๆก็ว่ากันเลยเป็นที่รักถามว่าสัตว์ทั้งหลายยกเว้นชาวบ้านทั้งหลายก็มีบุญเป็นที่หยอกล้อไหมตอนเด็กๆมีโลกก็หยอกล้อบุญนั่นนะโอ้ยน่ารักมากใช่ไหมจ๊ะ นี่ยอารมณ์เป็นที่รักเป็นที่ยึดถือของเราใช่ไหมใช่โอ้ยตาก็น่ารักหูก็น่ารักจมูกก็จีบริบอะไรก็วากันไปเนี่ยนะใช่ไหมใช่ใชพอเห็นลูกออกมาแล้วโอ้โหชื่นใจเลยเจ็บปวดหายหมดเนี่ยนะเคยเป็นไ้มล่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมรักมากใช่ไหมนี่ยอารมณ์เป็นที่รักเ <c oughs> นี่ยอารมณ์ของอารมณ์ที่เกิดความตสน่ห์และความที่เสียมันมาจากตรงนี้แหละ มันมีอารมณ์เป็นี่รักนี่แหลนะนะถ้าคนไม่มีบอุอ่ะรักหลานเไงใช่ไหมรักหลานรักโอ๋น้องนุง่นงพี่น้องอะไรเยอะเลยตอเนี้ยไปเย็ดอะไรของใครก็ไม่รพราะไม่มีที่เย็ดนะมองไปมองมาแยะไม่มีที่เย็ดเอาพราะตัวเองก็นั่นก็เอาไปเย็ดหลานอะไรตอนนี้นี่ความ ลิสยาและความดันหนีมันเกิดตรงเนี้ยนี่ไงอรมานณะปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยแก่ความลิสยาและความดัหนีเข้ า, าใจใช่ไหมมีเยอะเลยถ้าหาเป็นท้าก็เนั้ยแหละสัตวที่วิหารีหมยลยกศงศึกเราเรียนจบแล้วศึกเราไปได้ดีได้ดีแล้วหลาคนคุยกันอยู่เนี้ยแหละนั่นอานะรมณ์เป็นนีล่ละไม่เป็นนีล่ละหมายส่งจบด็อกเตอร์หลายคนแล้วไม่ลาเดี๋ยวนี้เป็นเนี้ยส่งจบนั้นบ้างทรงอะไร ต, ต่างๆสาราพัดโอ้โหปีนึงเราแจกคน เท่าไรก็ไม่รู้ก็ว่ากันได้เนี่ยนะใช่ไหมใช่ก็ถ้าสมัยก่อนก็โอ้โหลูกศิษย์ของเรานี่โอ้โ ห, งโ อ, โหองค์นั้นเก่งองค์นั้นมีชื่อเสียงใช่งไหมแต่ปัจจุบันนี้ครับพ่อแมาครกครูสอนทั้งหลายก็กโอ้ยอะไรเนี่ยลูกศิษย์เป็นดาราไปหลายคนเลยคเคยเป็น นี่นะ ก, ก็ย่อมเป็นที่รักและก็เป็นที่หยอกล้อเป็นที่ยึดถือของเราเมื่อไม่เห็นพวกเรานั้น่ะแม้คู่เดียวเนี่ยทนได้หรือไม่ได้ทนไม่ได้เลยนี้เขาหายไปไหนนะทำไมเขาไม่กลับเขาเคยกลับเวลานี้แล้วไม่กลับทุกใจไหมเนี่ยทนไม่ได้พราะไปยึดถือว่าเป็นของเราไป แ, แล้วใช่ไหมถ้าไปยึดถือว่ารูปเราลูกเร า, เ ร, ารถเราบ้านเราที่ดินเรา เข้าใจไหมไปเย็ดสัตว์และสังขารจะแล้วเนี่ยตาหูจยหมูกลิ้นกายใหญ่ของเราถ้าไปเยึดอย่างนี้เบีเสร็จแล้วมันก็อยากจะเสพคุณอารมณ์นั้นตลอดเวลาแล้วมันแกะหลุดไหมเห็นไหนั่นแหละคือปัญหาเมื่อไม่เห็นพวกเขาคู่เดียวทนไม่ได้เมื่อเขาได้เห็นคนอื่นผู้ได้สัตว์ที่น่ารักอย่างนั้นก็เกิดลิสยาเช่นไปเห็นคนอยู่หนูทาไมลูกเขาหน้าละ ลูกเราดื้อหลานเขาน่ารักหลานเราดื้อลิสยาเกือนในใจอีกแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยตรงนี้แหละเขามีอารมณ์เป็นที่รักและไม่อารมณ์ไม่เป็นที่รักความริัยสยญญาและความจะหนีถ้ามีใครจะมาขอลูกเราให้นให้มั้ยก็จะหนีใช่ไหมก็จะมาขอซักขอสิ่งของอะไรต่างๆ ถูกคนอื่นขอสัตว์นั่นเองว่าพวกเรามีงานบางอย่างด้ดยสัตว์นี้โปรดให้ยืมสักคู่ไม่ให้เล ย, เ, ยอ เ, อเนี่ยอย่างพอเอยเนี่ยพอดีมีธุระขอยืมรถหน่อยโอหจะหนีไหมมันจะเกิดขึ้นมาในใจเลยใช่ไหมโอโ้โหพอดีต้องใช่ ก, ก็เลี่ยงๆบางคนยังบอกว่าอย่างอื่นยืมได้แต่ห้ามยืมรถใช่ไหมเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี้ย เขาจะเหนื่อยหรือเขาจะก้มแล้วก็เกิดความตื่หนีด้วยประการอย่างนี้เป็นอันว่าความได้เสียและความตื่หนีทั้งสองเนี่ยมีสัตว์ันเป็นที่รักเป็นข้อมูลสําหรับภิกษุเนี่ยนะค้ะทาทั้งหลายก็มีพวกกลุ่มบริขาร น, นี่แหละมีจีวรเป็นต้นนะ่สาหรับชาวบ้านก็มีอุปกรณ์เครื่องประดับต่างๆเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจเมื่อเขาเห็นสิ่งชนิดนั้นแล้วเกิดแก่คนอื่นก็เกิดความได้เสีนะ้ ยกตัวอย่างเช่นว่าแหมในหูเรามีเพชรเม็ดเล็กอย่างเปีเพชรองในหูคนอื่นน้้นเม็ดโตโตนี่วันนีสยามโอ้ยลำบากกันเลยนะเป็นริงนะเป็นไหมล่ะม่เอ็นมองที่ข้อมือเรานี่ทำไมราคาต่ำเหลือเกินข้อมือนั้นมีก็คงก็ราคาสูงเนี่ยเนี่เป็นประโยชนกันอย่างเงี้ยเจ้าพระก็ดูจีวรจีวรเราเก่าๆดีย้วรคนอื่นนั้ยงามเลเกินนี่นะ เนี่ยก็เป็นเนี่ยบาทของเรามเก่าแล้วเนี่ยบาทของคนอื่นเนี่ยพระก็นมีอะไรก็เนี่ยอิสานิชิอิสยาก็อารมณ์เหล่าเนี้ทิ้งบอกว่าทาไมมนาศิกาไม่มไมข้ควรไม่พิจายรณาให้ดีต่างๆเราจะไม่รู้เลยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องป้องเป็นเครื่องทําให้ออกจากวัฏาไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยบางคนโอ้โหจะไปเจริญสนษษมถกรรมฐานนิพพานากรรมฐานในเบื้องต้นนี่นยังขัดเกาไม่เป็นเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ถ้าไม่เจาะรายละเอยียดตรงนี้จริงๆมันจะเป็นปัจจัยการรู้ได้ไหม มองไม่เห็นเลยใช่ไม่ใช่เข้าใจยังเอาถามว่าไปนั่งกรรมฐานเจ็ดวันแล้วเข้ามาเหมือนอย่างเก่าถามว่าสิ่งต่างๆนี้ถูกถอนไปไหมไม่มีทางแล้วต้องเรียนรู้ต้องเข้าไปวิจัยต้องเข้าไปสังเกตเข้าไปวิจัยพิจารณาเห็นทองแท้ด้วยซ้ำไปมันถึงจะเข้าใจถ้าธรรมของพุทธเจ้ามันไม่ใช่แค่ไปนั่งหลับตาเขาใจยังมันอยู่ที่ข้อมูลอยู่ที่ความเข้าใจแล้วต้องมป็น ก, การวิจัยด้วยมันถึงจะมันถึงจะชัดเจนในพระธรรมของพุทธเจ้าเขาใจยัง เอาที่ไหนลองไปที่ไม่มีข้อมูลนะไปนั่งหลับตาเอาให้อาจารย์ไหนก็ได้สอนออกมาก็เหมือนเดิมโดยทำดีทำหน้ามันจะละจะปล่อยจะวางอะไรกลับมาก็เหมือนเดิมจริงไม่ยอมทำก็เหมือนเดิมๆนี่เป็นอย่างนี้แล้วมันออกกันได้ที่ไหนแล้วไม่ได้ถูกกายมัน ไ, ไม่ได้ถอนได้เรีย ม, มากทีนี้ประการต่อมาคือเกิดความยาึดเสียขอสิ่งนี้จึงไม่ไม่พึงมีแก่เราและเมื่อถูกเขาขอก็เกิดความตนี แม้พวกเรากำลังรักยังใช้สอยอยู่ยังไม่ได้ให้หลอกด้วยประการที่กล่าวก็ปฏิเสธเขาไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็มีสังขารเป็นที่รักเป็นเข้ามูแต่เมื่อได้สัตว์และสังขารประการนั้นที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยแต่เป็นชนิดที่ไม่น่ารักเนี่ยถึงแม้ว่าสัตว์และสังขารเหล่านั้นไม่เป็นที่ชื่นใจของเขาแม้อย่างนั้นก็ตาม เพื่อให้พวกกิเลสที่ตรงข้ามเป็นไปก็กระทําความมิสยาว่าเว้นเราเสียจแล้วใครอื่นเป็นผู้ได้สัตว์และสังขารเหตุบานนี้ทีนี้บัญญิตดาสิ่งต่างๆยกตัวอย่างในของบางอย่างเนี่ยเราไม่อยากได้เลยนะถึงขนาดไม่อยากได้แล้วไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละแต่เราก็อยากจะมีไว้ไว้ปวดคนอื่นบอกว่านี่ไงเราเนี่ยเป็นคนที่มี บุญมีว่าสนามมากมันต้องปกครองอะไรเยอะมันต้องครอบครองอะไรมากของแบบนี้มันต้องอยู่กับคนมีบุญอย่างเราแล้วคนอื่นไม่มีโอกาสหรอกจะได้ปกครองอย่างเนี้ยเขาก็นึกว่าโอ้โหคนเบื่อหน่ายแล้วที่มีทรัพย์สมบัตินี้รนอนอนนเราขอเบองไม่หรอกบอกว่าประโยชน์คนอื่นไม่คม่อยมีประโยชน์แล้วประโนอยู่กับเราเนี่ยเป็นต้นนี้นะใช่ไหมบางคนมึงมีมากมันก็หวงมันก็ไม่ให้เข้าใจอ่ะมันไม่ให้หรอก ท, ทั้งที่มันมีมากแล้วเขาไม่ได้ยินดีนะเพราะสิ่งที่เขายินดีไม่ใช่สิ่งนี้เช่นบางคนยังมีที่ดินเอยอะแยะหมดเลยใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ยินดีเลยตอนนี้แต่ใครขอไม่ให้ก็เอ็งมันม่มีพุทธมันอยู่กับเราที่เราจะยืนต้อนเนี่ยก็เป็นไปลักษณะเนี้ยนี่เขาเรียกว่ากระทําความไม่ยสยาเว้นเราแล้วใครอื่นเนี่ยพูดได้สัตว์และสังขารอย่างเนี้ยหรือถูกขอยืมก็ไม่ให้ย่อมกระทําความหัว ความเลสยาและความตะหีทั้งสองมีสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นข้อมูลด้วยการอย่างนี้เนาะนี่นี่ในข้อที่สองเข้าใจนะประการต่อมาคือข้อที่สามฉันทะคือความพอใจท้าสกาก็ถามพระปรมศาสสะดาว่าข้าแต่พระองค์ควรนิรุธอารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นดังเกิด เมื่ออะไรนี้อารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์มันไม่เป็นที่รักจะมีเมื่ออะไรไม่มีอา ร, ม ณ, อารมณ์เป็นที่รักแลนะอารมณ์มันเป็นที่รักจริงไม่มีผู้ทีเจ้าประสาตอบไม่รู้ก่อนเท้าจะกาดจอมเทพเดินสกาดจอมเทพนะอารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักมันมีความพอใจเป็นเหตุเมื่มีความพอใจเป็นเหตุนะเออทําไมบอกอารมณ์มันเป็นที่รักเนี่ยมีความพอใจเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นแดนเกิด อารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์อ hey ันไม่เป <language> ็นที่รักจึงมีความพอใจก็ไม่มีนะอารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักนี่แหละจึงไม่มีเป็นต้นถ้าฉันทามีนะความพอใจก็มีใช่ไหมถ้าฉันทะไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีฉะนั้นเ้าบอกว่าฉันท่านี่นะเป็นนิทานฉันทานิทานานิทานนงความพอใจมีอยู่ห้าประการนะความพอใจในการแสวงหา ความพอใจในการได้มาความพอใจในการใช้สอยความพอใจในการสะสมแล้วก็ความพอใจในการสลัมีความพอใจอยู่ห้าอย่างความพอใจในการสแสวงหาเป็นไนคนบางคนในโลกนี้เกิดความพอใจไม่อิ่มก็สแสวงหารูปสแสวงหาเสียงสแสวงหากลิ่นสแสวงหารถสแสวงหาสัมผัสก็แสวงหาทรัพย์นี้คือความพอใจในการแสวงหาจริงๆเป็ น, นย่างจริงนะ คนบางคนเนี่ยนะก็คือพอใจในการแสวงหาก็คือว่าได้รูปแบบนี้แล้วก็อยากจะได้รูปแบบอื่นได้เสื้อผ้าอย่างนี้แล้วสีอย่างนี้ยังสีแบบนี้เราก็ได้มาแล้วแม้ขะน้อมอยากอยาหาสีอื่นก็ไปแสวงหาสีอื่นเหมาอย่างเงี้ยแล้ว เ, เสียงแบบนี้ไม่ค่อยเคราะเอาไปหาเสียงอื่นมาเงี้ยก็ส้อมหาสหาเสียงอื่นไปยุ่งกันอะไอย่างเงี้ยนะ คนเราไม่ไม่อิ่มในรูปไม่อิ่มในเสียงไม่อิ่มในกลิ่ในร ส, สในสัมผัสก็สวยแห้งขากันอยู่เลยป่ะบางทีเนี่ยเสียงไอ้รูปแบบนี้ใหม่ๆเราดูมันก็ดีใช่ไหมพอมาอยู่ด้วยกันนานๆคองพอใจแล้วจะหมดเะอยากจะได้รูปใหม่แล้วเยเป็นไหมแม้แต่ยังให้รูปประทันนั้นตัวเองแต่ก่อนเรากโอ้โหดีใช่ไหมชินชมกันมันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงอยากจะได้รูปใหม่หรือยังแล้วอยากจิตติไหม อจากได้รูปใหม่ยี่วิธีเดียวนี้ใช่ไหมก็จิตติจะจะถามว่ารูปต่อไปเนะี่ยคอนโทรนได้ไหมกําหนดได้ไหมแมมกําหนดไม่ได้กลัวมันจะได้ดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมไม่ยุ่งเลยใช่ไหมถ้ารู้ว่าจะไปรับตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมเ น, นี่ยอยากอยากจิตติไหมถ้ารู้ว่าโอ้โหมีแต่คนมาเชิญทุกวันทุกวนักวนเลยใช่ไหมจา่าตุมก็เอารถมาเชิญ ดาวดึงก็มาดาวติงสายามาดุสิตมิ ม, ม า, ราประดีประีนิสวริสวรดีนะเพราะนอนหลับที่ไรก็ไม่เชิญนะท่านครับเมื่อไหร่จะมาสักทีเพราะผมรอแต่งวิมานรอเหนื่อยแล้วอยากไปไหมอยากไปไม่อยากอยู่หรอกแต่คนเขารู้ว่าพบนั่นดีกว่านี้จริงๆใช่บอกไปที่ชั้นดูสิตตอนนี้เทวดาที่เป็น ใช่ไหมเพระโพธิสัตว์ไปอยู่ที่ท่านแหละไม่อยากไปบางเทพกันท่าหรือใช่ไหมพระอรหันต์ก็อยู่กันเยอะใช่ไหมที่นั้นก็มีที่ฟังธรรมด้วยอย่างนี้ใจน้อมอยากไปเลยใช่ไหมแต่มันไม่ได้นิมิตแบบนี้เลยอะในชีวิตใช่ไหมไม่เคยได้รับความมั่นใจนอนทีไรก็ฝันไม่ดีอยู่เลยโอ้เป็นเรื่องรุ่งเลยใช่มนี่น่ากลัวมาก เนี่ยชันธาเนี่ยนะมีความสแสวงหามีความความพอใจนี่เขาเรียกพอใจในการสแสวงหาสาตว์โลกทั้งหลายชันทาตัวนี้ไปเชื่ อ, อตัณหานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นชันทะที่บวกกับตัณหานั่นนะสแสวงหาอย่างเงี้ยความพอใจในการสแสวงหาเป็นคนบางคนในโลกนี้สแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตานี่เป็นต้นความพอใจในการได้มาคนบางคนเกิดความพอใจนะพอใจไม่อินมเนะความพอใจได้มาคืคนบางคนในโลกนี้เกิดมา เกิดความพอใจไม่อิ่มย่อมได้เฉพาะรูปเสียงจิตรัสัมผัสได้เฉพาะสิ่งที่ถูกต้องย่อมได้เฉพาะทัพย์นี้ความพอใจในการได้มาพอได้มาก็เกิดความพอใจถามว่าตัณหาเนี่ตัณหาเนี่เป็นปัจจัยในการแสวงหาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเนาะฉันทานเนี่ยมันเป็นตัณหาอย่างอ่อนพอเกิดความพอใจเบดเสร็จแล้วอุปาทานเกิดไหมอุปาทานเกิดก็ทํากับมเห็นไหม พอทำกรรมเนี่ยเป็นกรรมอภิะวาสนาก็เป็นปัจัยเกิดชาติ ช, าตชารามรณะโสกาบริเดวทุกขโทมนะสารกัปยานจะไปนั้งสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันจะไปสายเนี่ยเลยเนี่ยไปสายการชาติทุกชราทุ ก, ทกเป็นต้นหน่งประการต่อมาคือความพอใจในการใช้สอยก็คือความพอใจไม่ยิ่มนะใช้สอยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช้สอยทรัพย์นี่คือความพอใจจะใช้สอยรูปอีกใช้สอยยังไง ถ้ามีรูปงามๆก็ถ้าได้เสื้อผ้างามๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้านั่นออกมากแล้วเราออกไปเ อ, เอาเอาออกงานบ่อยไหม <c oughs> อ, ออกงานบ่อยนะเสียงกิีดร้สะบัดก็เป็นไปในลกักษณะอย่างนั้นความพอใจในการสะสมก็คือว่าไม่ยิ่มนะสะสมทรับโดยคิดว่าจะไม่มีคราววิบัติมีความพอใจในการสะสมก็เก็บไปเรื่อยๆนี่นะ เราเราถูกสอนกันมาอย่างนี้จริงๆนะเด็กๆก็ให้รู้จักเก็บอดออมนะก็หยอดกระปุกให้พอใจอ่ะให้พอใจในการสะสมใช่ไหมเนี่ยเราก็ยึดติด ก, กันอย่างนี้ยถูกสะสมอะไรต่างๆแล้วก็ความพอใจในการสละก็คือคนบางคนเกิดมาก็ก็ไม่อิ่มย่อมจทรัพย์แก่พละชา้างพลมาพละรถพลนธนูคนนี้ จงรักษาจงคุ้นครองจงดูแลต่างๆแวดล้อมเราอะ่ะพวกนี้ชอบจ้างคอนอนาละขาไปม า, มาก็คือเจอบเลี้ยงบริวารเนี่ยเลี้ยงบริวารเยอะๆ เ, เขาไอความพอใจอย่างนี้ดูเหมือนดูเหมือนทานแต่ไม่ใช่ทานนะเข้าใจใช่ไหมดูคล้ายๆเป็นทานแต่ไม่ใช่ทานเพราะจริงๆแล้วเมื่อสร้างอาณาจักรต่างๆเสร็จเรื่อนี้แล้วก็แจกจ่ายเขาพอใจก็ อยากใจแต่เขามีข้อแม้อยู่อย่างนะต้องดูแลของให้เขาเช่นว่าเอาคุณดูแลที่เราด้วยแต่เราก็ให้คุณทำมาให้กินคุณดูแลเกี่ยวเบสเซ็ตก็จ้างแล้วก็เป็นบริวาแรแวดลอบเราไปที่ไหนคุณก็ดูแลหนอเป็นบริกาศดูแลความปลอดภัยเราหน่อยเป็นต้นก็ก็ว่ากันไปนี้อันนี้ก็คือเกี่ยวกันนีน้ไปในทางโลกเห็นไหมว่าความพอใจและก็ต่างๆเหล่านี้ก็มีพวกเนี้ย อารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักทั้งหลายก็มีความพอใจต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุมี่ีเป็นไปในรักสละ่ะอย่างนี้ทูติจ่าถึงบอกดูก่อนจอมเทพอารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็นที่รักมีความพอใจในเป็นเหตุฉันทานั่ยเองมีฉันทาเป็นเหตุตรงนี้บาลีท่านใช้คําว่าฉันท า, า, าคือความพอใจนะฉันทาคือความพอใจมีมีฉันทามีความพอใจเช่นอัศกถาท่านก็เลยบอกว่า พอใจในการแสวงหาพอใจในการรักพอใจในการบริโภคพอใจในการสะสมพอใจในการสลักแล้วกล่าวในที่สุดว่าฉันท้าทั้งห้าอย่างนี้ถือเป็นตัณหาเมื่อยังมีตัณหาสับและวัตถุอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักก็ย่อมมีเป็นธรรมดานี่มีเป็นอย่างเนี้ยก็ก็สรุปไม่ได้ว่าฉันท้าในที่นี้ได้แก่ตัณหาชันท้าไม่ใช่กุศลฉันท้า เขาเป็นชันท่าที่อยู่ในโลภะเนี่ยก็จับประเด็นตรงนี้ได้เราก็จะเข้าใจโอ้ไอตัวฉันท่าตัวเนี้ยในที่สุดจริงๆเขาก็จะเป็นปัจจัยเกี่ยความตรึกที่ผิดพลาดนี่นะต่อมาท้าวส ก, ก่าก็ถามพระพุทธเจ้าต่อไปบอกว่าดูก่อนผู้เนรทุกความพอใจและมีความพอใจนี่นะและความมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นเด่นเกิด เพราะอะไรมีความพอใจจึงมีเมื่ออะไรไม่มีความพอใจจึงไม่มีพระบรมศาสด า, สดาตรัสว่าดูก่อนท้สาสกัดจอมเทพความพอใจมีความตรึกเป็นเหตุตรึกนะตรึกตัวนั้นนะบาลีท่านใช้คำว่าวิตักระหรือวิตักตกิตาแนะปลว่าความตรึกแปลว่าความตรึกทีนี้ในความตรึกเนี่ยนะะ ที่ท่านเขาใช้คำว่าวิตักการเนี่ยในอัตกถาท่านก็อธิบายบอกว่าความบอกว่าเมื่อได้วัตถุมาแล้วการกําหนดในใจว่าประมาณเท่านี้สําหรับรูปเท่านี้สําหรับเสียงเท่านี้สําหรับกินเทภา่านี้สําหรับรถเท่านี้สําหรับโพธะเท่านี้สําหรับตนเท่านี้สําหรับผู้อื่นเท่านี้สําหรับเก็บเท่านี้สําหรับใจการตรึกการคิดการวิจัยเช่นนี้ย่อมมีได้ด้วยหน้าถึงความตัดสินด้วยวิตก เขาเรียกตามสา์ว่าวิตักกะวินิชยะยาเขาเรียกวิวนิัย์ด้วยคำวิด้วยวิตกที่เป็นไปในอกุศลการตัดสินด้วยวิตกเนี่ยเมื่อได้กำหนดตามความคิดแล้วก็จุใจแล้วก็ทำให้เกิดฉันทะความพอใจเข้ า, าใจไหมนี่คือนักคิดนักตรึกนั่นแหละถามว่าวิตกตัวนี้ใครอย่าไปคิดว่าเป็นกุศลนะ อย่าไปคิดว่าเป็นกุศลพ่ออะไรความตรึกที่เกิดจากความรู้สึกตันหนักบอกว่าอาศัยลาบเกิดความตันหนักว่าชื่อว่าความตรึกตันหนักหรือวินิชยโยหรือวินิฉัยเนี่ยความตรึกต่างๆนี้มีสองประการนะความรู้สึกตันหนักแน่คือตันหาความรู้สึกตันหนักแน่คือทิฏฐิก็หมายความว่าการตรึกเนี่ยมันเป็นไปสองสาย ตกที่มีทิฏฐิเมีตัณหาเป็นประธานเอมีมีตัณหาเกิดร่วมกับตัณหาแรงๆอย่างหนึ่งกับตกที่มีทิฏฐิแรงๆอย่างนึ่ถ้าตกที่เป็นไปกับตัณหาก็เรียกตัณหาวิปริตร้อยแปดในตัณหาวิปริตร้อยแปดก็คือเป็นพวกการมมัจจานาพระว่ตัณหาวิภวะตัณหาการมมัจจานาที่เป็นไปกับรูปารมณ์สตอารมณ์กัณดารมณ์ราสารมณ์โภธาปารลมและธรรมารมณ์หกใช่ไหม หกอดีตเท่าไหร่อดีตหกทีปัจจุบันหกอานาคต6กไปเนี่ย <11? S 1> จริงจริงก็คิดอย่างนี้ไ้ยคิดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตัญหาก็ปัจจุบันหกอดีตหกันอานาคต6กเป็นอีกเท่าไหร่แปดเป็นเท่าไหร่เลยเนี่ย แล้วพี่เพราะว่าตัณหาที่เป็นปัจจุบนันอีกหกที่เป็นอดีตหกเป็นนาวอีกหกกี่นี้ได้ไหมเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร่ตัณหาวิปริตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปกับอารมณ์ <54. S 1> ก็ภายในภายในถ้าภายนอกก็เป็นฮะเป็นเป็นร้อยแปดพอดีเดือตัณหาร้อยแปดฉะนั้นตัณหาสามสิบหกเนี่ยนะตัณหาสามสิบหกหรือตัณหาร้อยแปดที่มันก็มันก็แตกออก ไปตามรูวารมดาตารมกันดารมราการมโบดอภรณ์นั้นถ้าตึกมากเท่าไหร่ตัณหามันก็แรงมากเท่านะั้นนองถ้าเป็นใบกนนุ้ศล์ันอยแปลกใจนะบางคนเนี่ยโอ้ยสามารถที่จินตนาการเป็นไปกัตัะหาไ ด, ได้ได้เพ้อฝันได้ดีมากเคยคิดไม่ได้เป็นสมัยเด็กๆเดีเด๋ยวนี้เตรียมเรียนทั้งโลกนะัก็สอนาที่มีตัณหาวิวิปลาดิเกิดแบบนี้มีตัณหาวิจิตเกินแบบนี้ก็จะสอนการคิดการเพ้อฝันว่า เองอยากเป็นอะไรใช่ไหมเขาสอนกันใ่กับวิตกตัวนี้นะวิตกที่เป็นไปกัตัญหาเนะ่ยนั้นก็จะเพ้อฝันว่าอยากได้บ้านให้เด็กจินตนาการบ้านออกมาก็วาดบ้านอยากเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมก็ <c oughs> าวาดกันไป <c oughs> เป็นงั้นจริงไหมแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือวิตกที่เป็นไปกัทที่ทีหกสิบสอง เป็นไปกษัตริย์สตอทิฏฐีบ้างเป็นไปอุเจศติฏฐีเบื้องต้นนะเข้าก็เป็นไปแบบทิฏฐีอีกเยอะแยะหมดเลยเลยดนเนี๋ยวนี้อินทร์กาทิฏฐีนาิกาทิฏฐีอัริียะทิฏฐิหรือทิฏฐีในภูทั้งหกนี่มั้ยอีกยเยอะเลยเนี่ยอวิตกต่างๆเลยนี้ถ้ามันเกิดร่วมกับทิฏฐีเราเนี่ยต้องละได้โดยเสวยสดาวพีมากมันนี้นะพระราศ ลักษณะของวีตกเหล่านี้นะที่เว็บประดิษไปด้วยกับ 108, ตัณหาร้อยแปดเนี่ยความสนั่คือตัณหากับที่เป็นไปกับที่ทสิบสองความสนั่คือทิ่จิความตริตด้วยสองประการเหล่านี้จึงมีได้โดยการชี้ขาดลงไปว่าหน้าปรารถนาไม่หน้าปรารถนาหน้ารักไม่น่ารักด้วยอํานาจแห่งความสนัก็คือตัณหาที่มาแล้วอย่างนั้นเพราะสิ่งนั้นเองเป็นของหน้าปรารถนาสําหรับคนบางคนและไม่หน้าปรารถนาสําหรับคนบางคนเนะี่ย ก็เหมือนการชี้ขาดนะของบอกว่าคนคน ค, นคนแต่ละคนเนี่ยนะมีมีความความเข้าใจไม่เหมือนกันมีความคิดไม่เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าไส้เดือนเนี่ยเขาก็ปรารถนาอะไรเขาก็ปรารถนากินดินใช่ไหมไส้เดือนก็คิดว่าเขาไม่เขาจะกินวันละน้อยละน้อยเขากลัวว่าแผ่นดินจะหมดนี่นะก็กินวันละน้อยอควารถนา ไสเดือนก็คิดแนี้เนะชื่อไหมไสเดือนคิดแบบ น, นี้ท่านกล่าวเลยไหมเรื่องแปลกดีไสเดือนก็ไม่กล้ากินดินเยอะก็กลัวเดเป็นดินเยอะหมดก็นินกะ็ไปเลยนี่คือความปรารถนาของไสเดือนก็คอยมีดินกินความปรารถนาของควางก็คอยมีหญ้า ก, กินนี่นะก็ว่าไปนั้นให้ความปรารถนาด้วยทิฐิบ้างด้วยตัณหาบ้างของสัตว์ต่างๆก็เป็นไปกด้ต่างๆกัน ความปรารถนาของพระราชาใช่ไหมพระราชาที่ปกครองโลกพระราชาที่ปกครองเมืองเล็กๆ ล, ล, ล, ล, ล, ลงไปหรือผู้นําทั้งหลายความปรารถนาก็แตกต่างกันไปบางคนก็วิพิตรไปด้วยอำนาจของตัณหาแรงบางคนก็ทิฏฐิแรงถามว่าโลกที่เดือดร้อนทุกวันเนี่ยตัณหาหรือทิฏฐิใช่ไหมมีสองสายนี่แหละมีสองสายนี่แหละอทิฏฐิกับตัณหานี่แหละที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายวิพิตรกันอยู่เนี่ย แล้วเราท่านทั้งหลายก็ยังละที่ิกลัละตัณหาประเภทนี้ไม่ได้มันก็ฟุ้งซ่านไปอย่ามันฟุ้งซ่านไปรูปตามรูปบารมิตรตามลมกันตามลมท่านในการจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยในอานาปานะ บ, บัปท่านจะบอกเลยใช่ไหมเขาบอกว่าธรรมดาจิตของบุรุษชนที่ไม่ได้ขัดเกลามาอย่างยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยมันก็จะแล่นออกจากนอกวิถีถ้าจะดึงให้กลับมาเข้าสู่ร่องรอยกปรมฐานไม่ได้มาหรอกถ้าจะดึงให้มาฟังพระธรรมมันอยากมาไหม มไม่อยากมาลอกแต่ต้องเปิดอีกเวทีนึ่งดิเดี๋ยวมันคนละมุมมันจะไปกันหมดเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นอย่างนัน้นสัตว์ทั้งหลายเป็นแบบนี้แหละนะมันเป็นไปกับตันหาเป็นไปกับทิศถีทั้งหลายมันก็วิปริตกันอยู่อย่างเงี้ยนะทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าความติดความตระหนัดในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสมัมผัสเป็นต้นเหล่านี้ยนะเป็นของเราเท่านี้เป็นของท่านเท่านี้เป็นต้นเหลนี้ก็ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าดูก่รเท้าสกัดจอมเทพฉันทะมีความวิตกหรือความตรึกเป็นข้าวมูลด้วยอาการอย่างนี้ประการต่อมาท่านก็ถามถึงปัญญาป่าปัญจะทำคือทำที่เนิ่นช้านะถามบอาว่าเท้าสกัดถามพระบรมศาสดาถามออกข้าแต่พระองค์ณุณเนรทุกข์ความตรึกมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเพราะอะไรมีความตรึกจึงมีอะไรไม่มีความตรึกจึงไม่มี ถามว่าวิตกที่เป็นไปกับบาปกับอกุศลเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใช่ไหมทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงตรึกไปกับปัญหาบ้างตรึกไปกับมิจฉาทิฏฐิบ้างอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยคิดผิดไปโดยหน้าเขาเห็นว่าเที่ยงบ้างคิดผิดไปโดยหน้าของการเห็นว่าขาดศูนย์บ้างหรือไปยินดีเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสต้งสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้แล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นนะถามว่าคนที่ไปเที่ยว ที่ไปดูแล้วเขก็ติดใจในอันนี้ก็อย่าลืมนะว่าเนี่ยความตรึกเนี่ยเนะนี่พระพุทธเจ้ากระตักว่าดูก่อนเท้าสกาจอมเทพบอกว่าความตรึกเนี่ยมีส่วนแห่งสัญญาประกอบได้วยปัจจัยธรรม ป, รปัจจัยธรรมนี่จะเขียตัณหาเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นแดนเกิดส่วนสัญญาจะประกอบไปได้วยปัจจัญธรรมนี้ความตรึกยังมี ส่วนสัญญาณประกอบด้วยปาปันจะทำไม่มีความตึมจกจริงไม่มีตัณหานี่แหละตัณหานี่แหละเป็นเ ห, นเหตุของวิตกตรงนี้ท่านบอกวนน่าสัญญาที่สัมยุญด้วยปาปัญจะทำทำเครื่องเนื่นช้าเนี่ยเป็นนิทานเป็ น, น eh. เหตุเป็นต้นเหล่านี้นะบาลีท่านใช้คําว่าปะปัญจยากสัญญาสังขารณริทานโมเขาแปลกว่ามีทําเครื่องเนื่นช้าเ น, า น, นี่ยเป็นนิทานเนี่ยนะก็คือสัญญาที่สัมยุญกับปาปันจะทำทำเครื่องเนื่นช้ามีสามประการนะ เนื่นช้าด้วยตัณหาอย่างหนึ่งเนื่นช้าด้วยมานะอย่างหนึ่งแล้วก็เนื่นช้าด้วยคิดถิ่เขาเรียก ป, ปัจจัยธรรมธรรมทีท่ ท, ท, ทําให้เนื่นช้าเนื่นช้าในอะไรเอ่ะเนื่นช้าในสังสารวัฏนั้นตัณหามานะคิดถีนี่แหละที่ทําให้เราสัตว์ทั้งหลายนั้นออกจากสังสารวัฏไม่ได้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารจิญยาณติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้าถามบอกว่าอะไรทําให้เราท่านทั้งหลายจึงเนิ่นช้าสามตัวตัณหามานะและกะทัทิฏฐิทาให้เราเนิ่นช้าเนิ่นช้าปแปล ว, ว่าคิดคิดพระธรรมเนี่ยช้า ม, มากให้สังเกตนะ ม, มันมีคําสอนอยู่ที่หนึ่งก็บอกว่าสัตว์โลกที่เป็นกุฎุชนเนี่ยเพราะอํานาจตัณหามานะทิฏฐินี่นะอยู่ในกระแสจิตเวลาคิดพระธรรมของพระเจ้าอื่นมาก เขาจะคล่องมากถ้าคิดในเรื่องของรูปเสียงกินระช่งนานมากปั๊ปๆ๊ๆบเร็วมากแต่พอมาคิดถึงพระพุทธเจ้าโอ้โโดยํำนวนเขาเรียกอะไรเนะี่ยดึงดึงไม่ลงอะ่ะลากลากอะไรลงน้ำเดียวสมัยโบราณเขาเรียกว่าจูงจูงวัวจูงควายเข้าไหา้อยังง่ายกว่าใช่ไหมเวลานจะ จะให้ตัณหาเนี่ยมาคิดถึงพระเจ้ามันไม่คิดไม่คิดเลยว่ามันคิดมันไม่ออกมันจะไปมันเนื่นช้ามันจะอยู่ในวาตามันมันเป็นห่วงมันเป็นห่้งตาหูจมูกเล่นกายใจให้ตัณหามาหน้าแล้วทิฏฐิมาพิจารณานี้ s น่ากลัวมากเลยนะท่านถึงบอกเป็นประการอย่าทำทำที่ทําให้เนื่นช้าถามว่าตัณหานี้ละได้ด้วยอะไร ตัณหาจริงๆต้องละได้ด้วยนู่นอร่าธรรมะมานะเหมือนกันแต่ทิฏฐิเนี่ยละได้ด้วยโสดาปิมังนั้นเรามีตัณหามานะทิฏฐินี่แหละเป็นธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าก็เลยเป็นเหตุให้เราท่านทั้งหลายนั้นออกจากว่าตาเป็นต้นไม่ได้วันนี้คงจะแค่ตรงนี้ก่อนนะเข้าสมมานะโทมนานะแล้วอุเบกขาเป็นต้นล่านะั้นก็ต้องอไว้เป็นอาทิตย์หนึ่งอันนี้ก็อันเดี๋ยวสรวจมลุนแบบ กามีใครจะถาปัญหาอะไรไหมอันุญาตได้ถามหนึ่งข้อนีไหมนีไหมไม่ครับาวางเรเราจะนอนเนี่ยถ้าเราชะตาวิตนอนนอนเนี่ยกิไปทิ้าน้เกิดตาได้ือว่าอะไรก็ทิ้งานไปอ่ไม่คัือคือปัญหาก็คือว่าได้ตั้งอัตยาสัยไว้ได้ตั้งอัตยาศัยไว้ว่า ถามว่ากรณีจะนอนเนี่ยเราจะอยู่อยกรรมฐ า, านยังไงเออน่าคิดกันนี่ยอ้าวลองลองเลง่าสักหลายที่เวลาใครจะนอนเนี่ยอยู่อยกรรมฐ า, านอะไรเดินกรรมฐ า, านอะไรก่อนนอนบางคนก็เดินพุทธานุสติบางคนจะทํามานุสติบางคนก็ดูอาณาบารณอะไรก็แล้วแต่นี้นะแล้วแต่มนสิการบางคนก็ก็พิจารณาแบบแบบหยาบหบยาบนะบางทีก็พิจารณาเพื่อหเห็นว่าเออรู ป, ปากายเนี่ยนะ กายที่ไม่มีวิญญาณเียนะกายที่ไม่มีวิญญาณก็คือนอนอยู่บนเตียงที่ไม่มีวิญญาณเนาะเตียงที่ไม่มีวิญญาณก็อยู่บนพื้นที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยพื้นที่ไม่มีวิญญาณก็ตั้งอยู่บนบนไหนบนดินใช่ไหมที่ไม่มีวิญญาณดินที่มีวิญญาณก็ตั้งอยู่บนน้ำที่ไมมีวิญญาณน้ำที่ไม่มีวิญญาณก็ตั้งอยู่บนลมที่มีวิญญาณเนี่ลมก็ตั้งอยู่บรอากาศ อากาศก็อุ้มลมเนาะถามว่าลมเขารู้ไหมว่าเขาตั้งอยู่บรรอากาศอากาศก็รู้ไหมว่าเขาอุมลมอยู่ไม่รู้เนีต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันลมเขารู้ไหมเขาอ้มน้ําอยู่น้ํารู้ไหมว่าตอนนี้เขาถูกลมอุมอยู่ต่างฝ่ายก็ไม่รู้ซึ่งกันและกันลมน้ํารู้ไหมเขาอุมดินอยู่ก็ไม่รู้นะดินก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มถูกน้ําอุมอยู่เป็นต้นต่างฝ่ายก็ไม่รู้ซึ่งกันและกันที่ปัญหาคือว่าประการมาดินก็ไม่รู้กำลังอุมบ้านหลังนี้อยูใช่ไหม บ้านก็ไม่รู้ว่าจะถูกดินตอนเองตั้งอยู่บนดีแล้วบ้านเหล่านั้นเนี่ยนะพื้นเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กํลาลังจะหรือเตียงเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตอนเองกํลาลังแบกกายอยู่กายก็ไม่รู้ว่าตนเองกํลาลังนอนอยู่บนต่างฝ่ายสร้างไม่รู้ซึ่งกันอะไรกันพิจารณาไล่ลงไล่ขึ้นพิจารณาอย่างนี้นแล้วจิตก็อาใสยเนี่ยกายที่ไม่มีวิญญาณนี่เราเป็นไปอยู่เนาะก็คืออ๋อนี่เรานอนอยู่ในซากศพเท่ เมื่อไรจะออกทุกทีแล้วเมื่อไรจะบริสุทธิพ์พนี่กรรมฐานนี้ก็มีจริงๆกรรมฐานพระเจ้าไม่ยากใช่ไหม น, นั้นสรรเสริญพระเจ้าสวดบา ร, รมีพระเจ้าขนาดนี้แต่เน้นถึงว่าโหกว่าพระเจ้าจะสร้างบา ร, รมีมา20ผสงค์การ ย, ย่200แสนมา ก, กับได้แสดงพระธรรมเทศนาโปดเราทั้นทั้งหลายเนาะถ้าเราไม่มีกระแสพระธรรมเทศนาเนี่หล่อเลี้ยงจิตใจเราหนุนลำบากเลยถ้าเราจะไปทางไหนเราจะมองไปเห็นทางในการที่จะดับทุกข์เลยใช่ไหม ในปัจจุบันนะพบนี้แม่นับเป็นบุญเหลเกินนะและบุญเราจะหมดอยู่แล้วนะก็รีบฝันวายในการที่จับระลึกถึงคุณของท่านแล้วก็ศึกษาวิธรรมบางังครับและก็ตั้งมั่นในการที่จ ะ, จะเจริญในศีลสมาธิปัญญาเป็นตเหล่า น, านี้เพื่อได้เป็นปัจจัยในการพ้นทุกตอนนี้สารณาของเรายังมีอยู่เป็นโลกยัสารนาคมนะยังหาความแน่นอนไม่ได้สารนะของเราจะขาดลงณขณะจุติจิตไปปฏิสันที่ใหม่เราจะต่อสารณาใหม่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ถ้าไปเกิดในภพที่ไม่มีสารณะแล้วก็ยุ่งเหมือนในส่วนจริ ง, รงกระแสะคันของเราก็ละหกละหื่นไปตามวัตัะตามภพภูมิต่างๆก็น่ากรุณานีนะนั้นๆะจะมีโอกาสได้พบพระเจ้าสักทีหนึ่งก็มาาประมาทประมาทกันอยู่เนี้ยนะก็ต่างทีคิดให้ถูกมันจะได้เป็นปัจจัยในการพ้นทุกข์